เจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2545เป็นวันหยุดไม่ต้องทำงานกันและก็ได้เป็นวันพระด้วยเป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันฟังธรรมญาติโยมจึงได้เข้ามาที่วัด เพื่อประกอบคุณงามความดีมีการทำบุญให้ทานตักบาตรถวายพระตาหารถวายสังฆท า, านสมาทานศีลบูชาพระรัตนตรยัยและฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นวิถีทางปฏิบัติที่ดีที่งามของพุทธศาสนิ ก, กชนทุกๆคนที่พึงกระทำกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุกๆครั้งที่ท่านมาที่วัด น, นี้ ท่านก็มักจะมาตอนเวลานี้ท่านก็จะพบกับพระที่นั่งอยู่ในบริเวณศาลาแห่งนี้เป็นประจำแต่เวลาอื่นๆที่ท่านไม่ได้มาที่วัดท่านก็คงอยากจะทราบว่าท่านเองนอกจากที่มาปฏิบัติกิจที่ศาลานี้แล้วท่านมีกิ จ, จวัตรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าวันๆหนึ่งงั้นท่านทําอะไรกันบ้างวันนี้เลยขอถือโอกาส ได้ได้บอกให้ทราบว่าจิตวัตยของทางวัดนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณสี่นาฬิกาคือตีสก็จะมีการเปิดพระอุโบสถให้สำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์ก็จะเข้าไปได้ตั้งแต่ตอนตี4ี แล้วก็จะนั่งถึงตีห้าตีห้าก็จะเป็นเวลาที่จะร่วมกันไหว้พระสดมนท์ทำวัดเช้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงตีห้าครึ่ง mm. ก็เตรียมตัวออกบินตบาต mm. ออกบิณตบัดหลังจากเสร็จจากการบินตบัดกลับมาที่วัดแล้ว mm. ก็มารวมกันที่ศาลาแห่งเล่นังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกัน มาร่วมกันรับประทานมาชาอาหารที่สาลาแห่งนี้อาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตก็นำมาจำหน่ายจ่ายแจกแบ่งปันกันแล้วก็ญาติโยมที่มาทีหลังก็ได้นำอาหารข้าวหวานมาเพิ่มมาตักบาทเพิ่มอีกจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็มีการสมาทานศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเสร็จจากนี้ไปแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะอนุโมทนาให้พร แล้วญาติโยมก็จะร่วมกันรับประทานอาหารตามบัตยาสัยพระท่านก็จะฉันอาหารตามตามกิจวัตรของท่านจนกระทั่งท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็จะนํพภาชนะต่างๆที่ท่านฉันเช่นบาตรฝาบาตรช้อนแก้วต่างๆกระโถนนาไปทำความสะอาดเอาไปล้างแล้วก็กลับมาเช็ดให้สะอาดให้แห้ง แล้วก็นำบาทเข้าสู่ถลวงบาทเสร็จกิจเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดถูสาราให้สะอาดเรียบร้อยปิดหน้าต่างปิดประตูปิดไฟปิดพัดลมแล้วก็กลับไปสู่ที่พักเมื่อไปถึงที่พักก็เป็นเวลาว่างที่จะพักผ่อนตามอธัธยาศัยหรือจะศึกษาอ่านหนังสือธรรมะหรือจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรม ไปจะกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสองโมงก็จะมีการร่วมกันฉันน้ำปานะน้ำปานะก็หมายถึงน้ำผลไม้หรือน้ำที่ที่ฉันได้ในตอนบ่ายเช่นน้ำชากาแฟน้ำอัดลมต่างๆก็จะฉันกันเสร็จแล้วก็ประมาณสักบ่ายสามหรือสี่โมงก็ช่วยกันปัดกวาดลานวัด กว่าทางเดินกุฏิต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สงน้าเพื่อเตรียมตัวที่จะลงโบสถในตอนค่ำลงศาลาในตอนค่ำเพื่อไหว้พระสวดมนต์ทวัดค่ำนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปจนกระทั่งถึงประมาณเวลาทุ่มครึ่งก็จะแยกกันกลับสู่ที่พัก แล้วก็จะปฏิบัติธรรมกันต่อตามอัธยาศัยเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนประมาณตีสาตีสี่ก็ลุกขึ้นมาเพื่อปฏิบัติกิจต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่พระสงฆ์ละสมณี ที่มาอยู่ที่วันนี้ปฏิบัติกันเป็นประจำตั้งแต่มีการตั้งวัดนี้ขึ้นมาเป็นวิถีทางแห่งการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้คือไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาไตรสิกขานี้แปลว่าการศึกษาวิชาทั้งสามไตรแปลว่าสามสิกขาแปลว่าการศึกษา ศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาท่านในเบื้องต้นก็ศึกษาจากหนังสือก่อนจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษามาปฏิบัติเช่นศีลของพระก็มีอยู่227ข้อก็ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ละเมิดศีลเหล่านี้ส่วนสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบ ด้วยการนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องผูกใจให้จิตเข้าสู่ความสงบเช่นกำหนดบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยมีสติควบคุมจิตไม่ให้จิตนั้นลอยไปสู่ที่อื่นให้รู้อยู่กับงานที่จิตกำลังทําอยู่ แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะสบายจิตก็จะมีความสุขจิตจะมีความอิ่มมีความปิติเป็นความสุขที่มหัศจรรย์เป็นความสุขที่เลื่อยกว่าความสุขทั้งหลายที่เราจะได้กันไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้ไปเที่ยวเตะไปกินไปรับประทานหรือไปมีความสุขกับเพื่อนด้วยกัน สิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากความสงบสุขของจิตใจแล้วไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าไม่มีสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการนั่งไหวพระสวดมนต์นั่งทำสมาธิจนกระทั่งจิตนิ่งไม่คิดไม่ปรุงอะไร จะนั่จะนิ่งอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็สุดแท้แต่เหตุปัจจัยของของจิตนั้นหลังจากที่จิตออกจากความสงบนั้นแล้วท่านก็จะสอนให้เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาในเป็นขั้นลำดับต่อไปคือให้พิจารณาให้เห็นสภาพพานเป็นจริงของทุกเสียงทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองลาบยศสารเสริญกรรมสุขทั้งหลายไม่ว่าบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นพี่เป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายลูกหลานเพื่อนสนิทนิสายก็ตบุคคลทั้งหลายเหล่านี้นั้นสิ่งต่างๆที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นั้นล้วนเป็นของที่ มีการเจริญขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปห้ามไปยุติได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการแกรม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการตายเป็นธรรมดามีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่กาลังพิจารณาอยู่นี้ กับผู้ที่พิจารณานั้นหาเป็นสิ่งอันเดียวกันไหมคือร่างกายของเรานี้ที่เราพิจารณาอยู่นี้เราก็จะเห็นว่าต่างกับผู้ที่พิจารณาผู้ที่พิจารณาคือใจคือผู้รู้ส่วนผู้ที่ถูกพิจารณาอยู่ก็คือกายกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันกายต้องเป็นไปตามสภาพของเขาแต่ใจไม่ได้เป็นไปกับกาย ใจก็เป็นไปตามเรื่องของใจเมื่อกายแตกสลายไปแล้วใจก็ต้องไปตามสภาพของใจตามบุญตามกรรมที่ใจได้สะสมไว้ถ้าสะสมบุญไว้มากเป็นเาละของบุญที่จะแสดงผลก็จะได้ไปเกิดไปสู่ที่ดีที่เรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่พบของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ถ้าทำกรรมไม่มากและถึงมรละของกรรมที่จะแสดงผลก็จะต้องไปเกิดไปสู่ทุกติไปสู่อบ า, ายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสังหรณนี่คือเรื่องราวของของกายและของใจเมื่อพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อใจเกิดปัญญาใจก็จะเห็น โทษของการที่ประยึดไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเห็นว่าเป็นโทษแล้วก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจก็จะเป็นใจที่หลุดหลุดจากการพันธนาจากเครื่องพัฒ น, นาการทั้งหลายมีกิเลสตัณหาเป็นตัวเป็นตัวผูกมัดให้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่เมื่อใจได้พิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายนะั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดไม่น่าครอบครองไว้เป็นของของตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหา ม, มีเป็นตัวเป็นตนไม่หามีเป็นเจ้าของไม่ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติย่อมอยู่ตามธรรมชาติของเขาใจผู้ที่รู้เมื่อเข้าใจแล้วใจก็จะปล่อยวางถ้าใจไม่เข้าใจใจก็จะไปหลงยึดติดธรรมชาติทั้งหลายดังที่พวกเราทั้งหลายนี้หลงยึดติดกัน ใจของพวกเรานั้นไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเมื่อเกิดมาก็คิดว่าเกิดมาแล้วมีร่างกายอันนี้ก็ยึดติดกับร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเป็นเราเขาเป็นของของเราและเมื่อโตขึ้นมีข้าวของเงินทองมีทรัพย์สมบัติมีมีมีสามีมีภรรยามีลูกมีเต้า ก็ไปครอบครองไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นเป็นของของเราทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเป็นของธรรมชาติล้ว น, วนธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาธรรมชาติเป็นผู้ที่เอากลับคืนไปมเมื่อถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้ถูกธรรมชาติเอาคืนไปถ้าเราผู้ที่ไปยึดไปติดอยู่นั้นไม่เข้าใจมีความหลงครอบําอยู่ เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นองไม่หลับร้องหอม่มร้องไห้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและคอยบอกให้พวกเราคอยจเจริญสติอยู่เสมอคอยจเจริญปัญญาอยู่เสมอเตือนตัวเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติเขา เขาให้เรามาอาศัยอยู่เหมือนกับบ้านที่เราไปเช่าอยู่หลังหนึ่งบ้านนั้นไม่ใช่เป็นของของเราเจ้าของเขาให้เราอาศัยอยู่เช่าอยู่เราก็จ่ายค่าเช่าไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเอาคืนไปเขาจะมาลื้อไปเราก็ต้องให้เขาคืนไปถ้าเรารู้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของของเราเป็นของที่เขาให้เราอยู่มาใช้อยู่ไปวันๆหนึ่ง เราก็คอยเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอว่าวันใดวันหนึ่งคืนใดวันดีคืนดีเขาจะมาเอาคืนไปเมื่อเราพร้อมที่จะใช้คืนเข้าไปแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้แต่ต้นแล้วว่าเรานั้นมาตัวเปล่าเปล่ า, าและในที่สุดเราก็ต้องไปตัวเปล่าเปล่าคือเรานี่หมายถึงใจของเรานี่แหละจะไปตัวเปล่าเปล่าสิ่งที่เอาไปได้ก็บุญกับบาปเท่านั้นเองแต่ส่วน สิ่งของต่างๆภายในโลกนี้นั้นย่อมอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้ไม่ใช่เป็นของของเราเป็นของธรรมชาติเขาเราเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้แล้วเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เมื่อเราเตรียมใจไว้แล้วเวลาถึงเวลาที่จะต้องให้สิ่งเหล่านี้คืนเข้าไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับเวลาเราไปยืนข้าวของใครเข้ามา เราก็รู้ว่าเราต้องเอาคืนเขาไปเช่นวันนี้เราจะหุงข้าวพอดีหม้อของเรารั่วเราก็ต้องไปยืมหม้อข้าวของเพื่อนบ้านมาเพื่อที่จะหุงข้าวแต่เรารู้ว่าเมื่อเราใช้หุงข้าวเสร็จแล้วเมื่อเราไปหาซื้อหม้อข้าวใหม่มาแทนแล้วเราก็ต้องเอาม้อข้าวใบนี้ไปคืนเขาฉันใดก็ฉันนั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้นั้นมันไม่ได้เป็นของของเรา อย่างแท้จริงมันเป็นของธรรมชาติให้เรายืมมาใช้ในขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ในเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรามีอยู่ในโลกนี้คืนกลับสู่ธรรมชาติและเราก็ต้องคืนอยู่เรื่อยๆเราได้เงินมาเราก็ต้องใช้เงินไปมันมีการไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาแต่ สิ่งไหนที่เรายอมให้มันไปเราก็ไม่เสียใจแต่ถ้าสิ่งไหนเราไม่ยอมให้มันไปเราก็จะเกิดความเสียใจอย่างเงินทองถ้าเรายินดีที่จะให้มันไปเช่นเราเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของเราก็มีความรู้สึกเสียอกเสียใจหรือเราเอาเงินมาถวายทําบุญเราก็ไม่มีความรู้สึกเสียใจเพราะเรายินดีที่ให้มันไปจากเราแต่ถ้าเราไม่ยินดีเช่นเงินทองเราถูกขโมยไปเรา อย่างนี้เราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาปัญหานะั้นมันไม่ได้อยู่ที่การไปหรือการมาของสิ่งของต่างๆมันอยู่ที่ใจของเราว่าเรายินดีที่จะให้เขาไปหรือไม่ต่างหากถ้าเรายินดีเราพร้อมที่จะให้สิ่งเหล่านี้ไปจากเราเราก็จะไม่มีความเสียอกเสียใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราไม่ยินดีเรายังต้องการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราไปอยู่ แล้วถ้าเกิดต้องสิ่งเหล่านั้นจะต้องจากเราไปเราก็จะเกิดความเศร้าสศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่กับการไปและการมาของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนั้นเขามีมามีไปอยู่ตลอดเวลาปัญหามันอยู่ที่ใจของเราต่างหากว่าเป็นใจที่โง่หรือใจที่ฉลาดถ้าเป็นใจที่ฉลาดก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะถือเป็นของของเรา แล้วจะให้อยู่กับเราไปดูตลอดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นะนี่เป็นคนฉลาดจะคิดอย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะคืนสิ่งต่างๆที่มีอยู่กับเราให้กับธรรมชาติเขาไปจะไปแบบไหนก็สุดแท้แต่แต่ในที่สุดมันก็ต้องไปถ้าไปด้วยความที่เรายินดีให้ไปเราก็ไม่มีความเสียใจถ้าไปโดยที่เรายังไม่มีความยินดีให้ไป เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมาดังนั้นเราควรที่จะตรวจตราใจของเราว่าขณะนี้เราพร้อมเรายินดีจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตัวของเรานั้นรวมทั้งร่างกายของเรานี้ไปหรือไม่ถ้าเราพร้อมเราก็จะสบายอกสบายใจอยู่กับเราเราก็เราก็มีความสบายใจเวลาจากเราไปเราก็มีความสบายใจ เพราะเราไม่ได้ไปผูกใจเราติดไว้กับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรายังมีความหลงมีความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้หรือตัวเราร่างกายของเราอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็จะอยู่ด้วยความทุกข์ใจและเมื่อเกิดการพัดรากจากกันไปเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนแม่หลับทุกมากทรมานมาก เวลาเราต้องจากสิ่งที่เรายังไม่อยากให้สิ่งนั้นจากไปแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราไม่มีอำนาจวาสนาพอที่จะไปไปบังคับไปรัง้งไปเหนียวเขาไว้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราเราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ห้ามใจของเราไม่ให้เศร้าโศกเสียใจได้ ถ้าเราเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่บัดนี้ไปว่าเรานั้นจะต้องทัดทราจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เป็นที่เราถือว่าเป็นของของเราไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็ดีหรือว่าบุคคลต่างๆก็ดีล้วนจะต้องมีการทั่าจากกันเป็นธรรมดาถ้าเราทำการเข้าใจ แล้วเตือนสติสอนใจเราอยู่อย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้นั้นต้องสอนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่คิดไม่สอนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราลืมแล้วเราก็จะไปหลงไปยืดไปติดอีกแต่ถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เตือนขึ้นมาจนกระทั่งหลับเลยทําอะไรกับอะไรก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของแค่ชั่วคราวนะเป็นของที่อยู่กับเราไปเพียงสักระยะหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วในที่สุดก็ต้องมีการจากกันไปต้องสอนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่สอนแล้วมันเผลอแล้วมันลืมแล้วมันก็จะไปะยึดไปติดเมื่อไปยึดไปติดมันก็จะมีความกังวลใจถ้าเรารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราใจของเราก็จะพาวะขบวนกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตาก็เริ่มเกิดกังวลใจแล้วว่าเอ๊าหายไปไหนเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไม่ได้ไปยึดไปติดเราคิดว่าเราทาหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเราดูแลรักษาสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆให้ดีที่สุดตามกำลังความสามารถของเราแล้วถ้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันสุดวิสัยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมานั่งกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะการกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งกังวลใจ ก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังที่เราได้ยินเสมอว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราไปนั่งกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปไม่ให้มันเกิดได้อันไหนถ้าเราห้ามได้เราก็ห้ามเสียอันไหนเราป้องกันได้เราก็ป้องกันเสียแต่อันไหนที่เราห้ามไม่ได้ป้องกันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นกฎของธรรมชาติว่าจะต้องมีการเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เค่นั้นก็เป็นกฎของกรรมแต่ละบุคคลนั้นก็มีกรรมเป็นผู้พาไปเราบางทีอยากจะให้บุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ในกรอบของความดีงามแต่ใจของเขานั้นไม่สามารถอยู่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเขานั้นมีกรรมเป็นเจ้านายเป็นผู้สั่งการ เราไม่อยากให้คนที่เรารักไปเสพไปเสพยาเสพติดแต่บางทีเขาก็ไปเสพยาเสพติดนั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมสั่งให้ใจของเขาไปกระทำสิ่งนั้นๆเราไม่ปรารถนาให้เขาเป็นคนเกียดคร้านไม่ให้เขาเล่นการพนันไม่ให้เขาเจียวเตรแต่เขาก็จะไปแบบนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเคยสะสม นิสัยแบบนี้มานในแต่ละภพแต่ละชาติมันก็จะเป็นไปตามนิสัยของเขาเรามีหน้าที่ก็เพียงแต่สอนเขาบอกเขาห้ามเขาเท่านั้นเองแต่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาได้อยู่ตลอดเวลาบางทีเมื่อรับตารับรับจากสายตาของเราไปแล้วสิ่งต่างๆที่เราบอกเขาเขาอาจจะไม่ทำตามก็ได้ เพรใจของเขานั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกรรมที่เขาทําไว้ในอนดีตได้นั่นเองกรรมนั้นจะผลักดันให้เขาไปทําในสิ่งต่างๆที่เขาเคยชอบเขาชอบทําอะไรอย่างไรเขาก็ทําอย่างนั้นถ้าเขาเคยสะสมคุณงามความดีมาชอบแต่ทําแต่สิ่งที่ดีที่งานมีความขยันชอบเรียนหนังสือชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญทําทาน ไม่ชอบเสพสลายยาเมาไม่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะทาตามจริตนิสัยของเขาไม่ว่าจะต่อหน้าเราหรือรับหลังเราก็ตามนี่แหละคือเรื่องของหลักกรรมชีวิตของพวกเรานั้นอยู่ภายใต้กฎสองชนิดด้วยกันคือกฎของธรรมชาติและกฎของกรรมกฎของธรรมชาติก็คือความแปรปวนเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ชีวิตของเราร่างกายของเรานั้นไม่นิ่งอยู่เฉยมันเคลื่อนไปเรื่อยเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจริญเติบโตเมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันก็เริ่มชราภาพลงเสื่อมลงไปและในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายดับไปนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ใจได้มาเกี่ยวข้องอยู่ถ้าเราเข้าใจกฎทั้งสองกฎนี้แล้ว คือกฎแห่งกรรมและกฎของธรรมชาติแล้วไม่ไปฝืนไม่ไปขัดไม่ไปต่อสู้แล้วเราจะอยู่ได้อย่างสุขสบายใจเพราะใจนั้นไม่เพราะใจนั้นจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ <c oughs> ้นอยู่กับว่ารู้จักกฎทั้งสองกฎนี้หรือเปล่าถ้ารู้จักกฎทั้งสองกฎนี้แล้วก็จะไม่ฝ่าฝืนก็จะอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็น อะไรเป็นอะไรก็อยอมก็รับได้ทั้งนั้นมาก็รับได้ไปก็รับได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติใจของเราจะถูกความหลงครอบราอยู่เมื่อเกิดความหลงแล้วก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากให้สิ่งนั้นอยู่กับเรานานๆานถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบอยากจะให้สิ่งนั้นหายไปเร็วๆจากเราไปเร็วๆถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนี่ก็เป็นเพราะว่าเรา กำลังไปเราไม่เข้าใจถึงกฎของธรรมชาตินั่นเองและเมื่อเราต้องการให้สิ่งที่เราไม่ชอบนั้นจากไปเร็วๆถ้าเขาไม่ไปเร็วๆเราก็เกิดความวุ่นวายใจหรือถ้าสิ่งที่เราชอบเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆานแต่เขาจากเราไปเสียก่อนอันนี้ก็ทำให้เราไม่สบายใจทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้เขาก็จะเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนที่เราเกิดมา ิ่งต่างๆนอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แลหลังจากที่เราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้นนก็ยังเป็นอย่างนี้เขาจะต้องหมุนไปตามกฎแห่งกรรมและกฎของธรรมชาติพูดเราเป็นผู้ที่มาเกิดมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านีน้ถ้าเราไม่ฉลาดและไม่รู้จักปฏิบัติเราก็จะเกิดแต่ความทุกข์ใจขึ้นมาเหมือนกับถ้าเราไม่รู้ว่าไฟนี้มีโทษอย่างไรมีความร้อนอย่างไรแล้วเอามือไปจับไฟเข้า ไฟก็จะต้องเผามือของเราชั้นใดก็ชั้นนั้นการกระทำอะไรต่างๆเราจึงต้องมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องกับสิ่งต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรารู้ตามที่ได้แสดงไว้คือรู้รู้จักกฎของธรรมชาติคือสภาพทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นของเป็นมันไม่ใช่เป็นของที่เรา สามารถมาครอบครองว่าเป็นของเราเป็นตัวเราได้แต่เป็นของธรรมชาติโดยแท้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎแห่งกรรมใครทำกรรมอันใดไว้หรือชื่อก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่กรรมในอนาคตนี่เราแก้เรากาหนดได้แต่กรรมในอดีตนั้นเราไปแก้ไม่ได้เราเคยทำกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรไว้มันก็จะต้องส่งผลของมันเป็นสุขเป็นทุกข์ ให้กับผู้กระทํากรรมนั้นๆแต่ผลของกรรมในอนาคตนั้นเราสามารถกําหนดได้ด้วยการกระทํากรรมในปัจจุบันถ้าเรากระทํากรรมดีอนาคตผลที่จะตามมา ย, ย่อมเป็นความสุขและความเจริญถ้าเราทํากระทําความชั่วผลที่จะตามมาก็คือความทุกข์ความหายณนะความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะตามมานี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง และพยายามประพฤติปฏิบัติโดยการอบรมสั่งสอนใจของเราอยู่เสมอถ้าเราไม่สามารถสอนใจเราได้เราก็ต้องคอยเข้าวัดอยู่อย่างสม่ำเ ส, สมอทังเทศทังธรรมหรือถ้าเราไม่มีโอกาสเวลาว่างที่จะเข้าวัดก็ขอให้เราเอาวัดไปไว้ที่บ้านของเราด้วยการเปิดหนังสือธรรมะอ่านเปิดวิทยุฟังเทศฟังธรรมตามวิทยุตามสถานีโทรทัศน์ต่ตางๆ หรือหาเทพธรรมะที่ได้มีการอัดไว้เอามาฟังต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ฟังปั๊บเดี๋ยวใจเราไปคิดเรื่องอื่นปั๊บเราก็ลืมแล้วอย่างที่ได้ฟังมานี้เดี๋ยวพอญ่าโยงออกจากสารานี้ไป